พระบัญญัติ465ก็ภิกษุใดจงใจก่อความรำคาญให้แก่ภิกษุด้วยหวังว่าเธอจะไม่มีความผาสุกแม้ชั่วครู่ด้วยอุบายนี้ประสงค์เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นต้องอบัติปาจิตติเรื่องพระชพปคีจบ